ตอนที่สาบารมีของข้าขอยืมกันได้พวกทหารกินจุกันมากเพื่อที่จะได้กินข้าวยย่อมทหารเกณฑ์ใหม่มาจะตักข้าวชามแรกจนพูนเสมอพอจะไปตักชามที่สองข้าวก็หมดหม้อไปแล้วเก้าช้างเหอรมองดูฉินเซี่ยวเยเว่ที่กำลังสว้าปามอาหารอย่างตะกละตะกลามพางอธิบายอย่างเนิบนาบส่วนพวกทหารเก่าชามแรกจะตักแค่ครึ่งชามกินเพียงสามคก็หมดแล้วค่อยไปตักชามที่สองจนภูน พอชินเสี้ยวเยวเ้ฟังจบตะเกียบในมือก็ชะงักค้างอยู่กลางอากาศทันทีพอออเกาทำไมท่านไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ข้าข้าอิ่มจนจุกแล้วหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงโตจีนขณะที่ทั้งสามคนกำลังเตรียมตัวกลับ ก, บก็ถูกใครบางคนเรียกเอาไว้เดี๋ยวก่อนสหายซูลุงหวังที่ใบหน้าแดงระเรือด้วยความยินดีวิ่งเหาะๆเข้ามาดูเหมือนข้ามีเรื่องด่วนแต่ก็ทำท่าทางเหมือนลำบากใจที่จะเอ่ยปากคืออย่างนี้สหายซูเจ้ายังรับซื้อเนื้อหมูอยู่หรือไม่ ไม่รอให้สูมา่านอินตอบฉินเสียวยาวก็เบียดตัวเข้ามาด้วยดวงตาเป็นประกายลุงหวังบ้านท่านจะฆ่าหมูอีกแล้วหรือเมื่อไหร่กันเปล่าหรอกหมูในคลอกต้องรอฆ่าช่วงสิ้นปีไม่อย่างนั้นคงไม่มีหมูไว้ฉลองตรุษจีนลุงหวังยิ้มพลางอธิบายเป็นทางบ้านเดิมของลูกสะใภ้ข้ามีญาติคนหนึ่งเลี้ยงหมูอยู่เขาได้ยินว่าทางเราให้ราคาจิล 8, ern, แปดเมาห้าเฟินเลยอยากจะถามดูว่าเจ้ายังรับซื้อเนื้ออยู่ไหมหมูของคนเลี้ยงหมูไม่ใช่ว่าต้องส่งคืนตามแผนงานของรัฐหรอกหรือ ในความทรงจําของซูม่านอิงยาเคยบอกว่าหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงจะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับคอมมูนและไม่สามารถซื้อขายกันได้ตามใจชอบนางถามด้วยความไม่เข้าใจสามารถซื้อขายกับคนภายนอกได้ด้วยหรือโทษเขาเลี้ยงเพิ่มนอกเหนือจากแผนงานนะสิกรรมมูลไม่เข้ามาวุ่นวายหรอกลุงหวังกล่าวกลัวหัวเราะในหมู่บ้านมีทั้งงานแต่งงานงานศพช่วงเทศการตรุษจีนก็ขาดเนื้อหมูไม่ได้เขาก็ต้องหาทางทํากําไรบ้างเป็นธรรมดา ซูมานอินเข้าใจแล้วนี่ก็คือคนชนบทที่มีหัวคิดก้าวหน้าคนหนึ่งลุงหวังเนื้อมีเยอะแค่ไหนหรือตู้แช่แข็งของข้าต้องใส่ให้พอด้วยนะหมูครึ่งซี่กระดูแล้วน่าจะประมาณร้อยกว่าจินร้อยกว่าจินซูมานอินอุทานด้วยความตกใจเรื่องที่เก็บน้ำพอมีที่ว่างอยู่แต่ข้าไม่ได้พกเงินมาเยอะขนาดนั้นซูมานอินพกเงินติดตัวมาจํานวนหนึ่งจริงๆเป็นเงินที่ได้จากการขายโรเจอห ม, มูในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมกับเงินที่คนในโรงงานบริจาคให้ครั้งก่อนรวมๆแล้วก็มีประมาณห้า60ิยหน เดิมทีนางตั้งใจจะซื้อไข่ไก่พืชเมืองในหมู่บ้านเก่าไปบ้างแต่พอยุ่งเข้าก็เลยลืมไปเสียสนิททว่าเงินจำนวนนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีงั้นก็ซื้อน้อยหน่อยสิลุงหวังยิ้มพอดีรถแทรกเตอร์ว่างอยู่ให้เหรียญซานขับไปส่งพวกเจ้าไม่เอาหรอกต้องนั่งรถแทรกเตอร์อีกแล้วหรือชิ้นเสียวเยว่กลุ่มท้องตัวเองกว่าจะกินของดีๆเข้าไปจนเต็มท้องถ้าต้องไปนั่งกระแทกจนอาหารกระเด็นออกมาคงเสียดายแย่ท่านว่าอย่างนั้นไหมพออเก่า เกาชังเหอเข้าใจความหมายของชิ้นเสี่ยวเยเวทันทีไม่ต้องรอกลุมข้าขับรถกระบะมาเกาชังเฮร์ชี้ไปที่รถพอดีเสี้ยวหวังก็อยู่กับค่าซื้อเนื้อเสร็จแล้วจะได้กลับเข้าเมืองไปเลยหวังเหลียนซานพอได้ยินว่าไม่ต้องขับรถแทรกเตอร์ก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดาใช่ครับพ่อพ่อหมายถึงบ้านที่อยู่ตรงข้ามสถานีแปลงไฟในหมู่บ้านหลี่หมิงใช่ไหมใช่ใช่เจ้าหนูนี่ความจําดีจริงๆพ่อครับพ่อไม่ดูบ้างว่าข้าทำ ง, งานอะไร ความจำดีเลิศนี้ถือเป็นทัศพื้นฐานของตำรวจเลยนะหวังเหรียญซานยืดอกอย่างภาคภูมิใจทว่าหวังเหรียนซานที่คุยโวว่าความจำดีเยี่ยมกับจำทางไม่ได้เสียอย่างนั้นเขาบอกทางให้เกาช้างเหอขับรถอ้อมไปไกลโขกว่าจะถึงหมู่บ้านหลี่หมิงได้คุณตำรวจเสียหวังคำว่าความจำดีเลิศของท่านเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงจำผิดจนหน้าผิดหวังหรอกนะชินเสียวเย่เว่เอ๋อรล้อเล่นโชคดีที่ชาวบ้านช่วยบอกทางไม่อย่างนั้นข้าคงนึกว่าพวกเราโดนผีบังตาเข้าให้แล้ว โทรเรื่องจำของนาค้าไม่มีปัญหาจริงๆแต่ข้าแค่แยกทิศตะวันออกตะวันตกไม่ออกนะหวังเหลียนซานกาหัวพลางอธิบายด้วยความเก้อเขนินซูมานอินดึงแขนชิ้นเสียวเยเวจนี่พูดมากเกินไปแล้วนะชิมีปากก็ไม่ได้มีไว้แค่กินอย่างเดียวนี่นาทั้งสี่คนมาถึงสถานีแปลงไฟและหาบ้านของหลิงหย่งเซิงที่ขายเนื้อหมูจะอย่างรวดเร็ว พอได้ยินว่าเป็นคนรู้จักของลุงหวังแนะนามาซื้อเนื้อหลิงหย่งเซิงก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเขาเชิญทุกคนเข้าบ้านส่งม้านั่งให้แล้วเริ่มคุยวว่าหมูของตนดีอย่างนั้นอย่างนี้หมูบ้านค่าเลี้ยงด้วยธัญพืชล้วนๆกินแต่ข้าวโพดกับถั่วที่ปลูกในลานบ้านสุขภาพดีสุดๆชิ้นเสี่ยเวเย่เวพยายามกลั้นหัวร้อนนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ยินคนพ น, นาถึงหมูได้ขนาดนี้คืออย่างนี้ลุงหลินวันนี้ค่าออกมาทุรด่วนเลยไม่ได้พกเงินมาเยอะอาจจะรับซื้อไม่ถึงร้อยจิน ซูมานอินนั่งบนมาน้านั่งพางเจราจายอย่างใจเย็นท่านดูสิแบ่งขายให้ค่าสักหกสิบจินก่อนได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะแม่นางเจ้าอยากได้เท่าไหร่ก็ตามใจเจ้าเลยเราไม่บังคับซื้อบังคับขายกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูเนื้อหมูกันหน่อยดีไหมไปกันเลยลิ้นหยงเซิงพาทุกคนไปที่ลานหลังบ้านพอเลิกผ้าห่มนวมออกก็เห็นหมูครึ่งซีกวางแผยอยู่ด้านล่างชินเสี่ยเวเย่เว่รีบดึงแขนซูมานอินทันที ว่าซี่โครงกับขาหลังพวกนี้สวยจังเลยท่านแม่ลูกสะพ้ยอยากได้เหลือเกินซูมานอินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวนางรีพรักฉินเสี่ยวเยเวที่ทำท่าเหมือนคนเสียสติออกไปแต่พอนางมองดูซี่โครงหมูที่สวยงามเหล่านั้นนางเองก็อดไม่ได้ที่จะลอบปลื้น้ำลายเช่นกันลุงหลิงคะซี่โครงหมูของลุง ม, มี่ช่างละเท่าไหร่หรือคะซี่โครงหมูนี่แพงเชิงในอย่างน้อยก็ต้องช่างละสองหยวน หลิงหยงเซิงถือมีดบพร้าพังเริ่มลอกกระดูกแยกเนื้อแต่ถ้าแม่หนูอยากกินลุงแถมให้สักสองสามซี่ก็ได้นี่จะดีหรือคะเกรงใจจังเลยค่ะซูมานอินคิดไม่ถึงจริงๆว่าหลิงหย่งเซิงคนนี้จะใจกว้างขนาดนี้นี่เพียงหวังเหลียญซานเท่านั้นที่มองออกว่าหลิงหย่งเซิงกําลังทําเพื่อเอาใจเกาฉางเฮ่ออยู่ซูมานอินส่งเงินเพิ่มให้หลิงหย่งเซิงอีกห้าหยวนลุงหลิงคะพวกเราจะเอาเปรียบลุงไม่ได้หรอกข้าถือว่าพวกเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะมิสหายนะคะ ลินหยงเซิงไม่ยอมรับเงินซูมานอินจึงโยนเงินผ่านหน้าต่างเข้าไปบนเตียงข้างโดยตรงจากนั้นก็รีบมุดเข้าไปในรถกระบะทันทีออกรถค่ะสิ้นคาสั่งของซูมานอินเกาฉางเหอก็เหยียบคันเร่งรถพุ่งทยานออกไปอย่างรวดเร็วแม่เล็กลุงหลินเข้าจะดีออกทําไมต้องเกรงใจขนาดนั้นด้วยล่ะคะถ้ามีแค่เราสองคนแม่ก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกซูมานอินเหลือบมองเกาฉางเหอผ่านกระจกมองหลังเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขาเห็นก่ น, น้าพวกเรา หน้าของผมคุณก็หยิบยืมไปใช้ได้นะเก้าช้างเหอพูดขึ้นมาลอยลอยประโยคหนึ่งทำเอาบรรยากาศในรถพลันเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีหวังเหลียนซาน ร, รีบหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาบันทึกฉากที่น่าตื่นเต้นนี้ลงไปต้นไม้เหล็กไม่เพียงแต่ออกดอกแต่ยังรำแพนหางแล้วด้วยส่วนชิ้นเสี่ยวยาวก็แอบสะกิดเอลซูมานอินพางกระซิบกระซาบบนอกดูคุณสิจะสมวนท่าทีไปทาไมกัน ซูมานอินเองก็รู้สึกหวั่นไหวในใจอยู่บ้างหรือว่าเกาช้างเหอจะตาถึงมาหลงรักแม่ไม่อย่างเธอเข้าจริงๆเธอเหลือบมองกระจกมองหลังอีกครั้งคราวนี้เธอมองเห็นเนื้อหมูที่กระเด็นกระดอนอยู่บนกระบะหลังรถทันใดนั้นจิตใจของเธอก็กลับมาสงบนิ่งดังเดิมเธอต้องตั้งใจหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวให้สําเร็จก่อนส่วนเรื่องความรักค่อยว่ากันทีหลังรถกระบะวิ่งได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วไม่ถึงหชั่วโมงก็ส่งซูมานอินและฉินเสี่ยวเย่าถึงหน้าประตูบ้าน เกาช้างเหอและเสียหวังช่วยกันยกเนื้อหมูเข้าไปเก็บในตู้แช่แข็งจากนั้นก็เตรียมตัวกลับสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีเการีบหรือค้มยูกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนหรือซูมานอินเอ่ยชวนอย่างประมาบหมี่แห้งฉันยังพอทำเป็นนะคะไม่หล่ะครับผมต้องรีบไปล้างรถแล้วเอาไปคืนที่เคยให้เร็วที่สุดเกาช้างเหอเช็ดเหงื่อบนหน้าผากพลางยิ้มให้ซูมานอินทว่างผมจะไปที่แผงนคุณเลี้ยงโรคเจียมหมวผมสักชิ้นแล้วกันไม่มีปัญหาค่ะ หลังจากส่งเกาช้างเหอไปแล้วฉินเสี่ยวย่าวก็ถือซี่โครงหมูสองซี่ขึ้นมาเพื่อนรักของแม่เล็กพวกเรามาตุนซี่โครงหมูกันเถอะซูมานอินหัวร่ราจะแน่ใจนะว่าพวกเราจะลงมือทำเองฉินเสี่ยวเย่ายื่นนิ่งเป็นเสาหินอยู่กับที่เอาเถอะถือซี่โครงหมูไปบ้านจิ๋วหลิงกันสองแม่สามีลูกสะพ้ยเพิ่งจะเตรียมตัวออกจากบ้านแต่แล้วที่หน้าประตูใหญ่ก็ถูกสามีภรรยาตระกูลหวังเพี้ยหาขวางทางไว้อีกจนได้ ที่สภัยเล็กนี่คุณลงไปซื้อของที่หมู่บ้านมาอีกแล้วหรือหวังเกว่าทำตัวราวกับเป็นผู้ใหญ่คอยสั่งสอนสูมนินถึงที่บ้านจะมีเหมืองทองก็จะใช้เงินซื้อรุยซื้อร่ายแบบนี้ไม่ได้นะ